มันลดลงไปอยู่ในระดับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็ชิงมาเกิดในช่วงนั้นนี่เป็นคำตอบของหลวงปู่แหวนหลวงพ่อพุธต่อทายไว้ว่าเอากับผู้เท่าเสด